จ, จะดวกโหหอกต้องปรับขึ้นอยู่เลยเจ้ากับันอื่นมีหูก็ใช่ไม่ได้ต่อไปมีตาก็อาจจะใช่ไม่ได้นี่ปากก็อาจจะพูดไม่ออก มันไม่ใช่ของเที่ยงแน่นอนายใจของเราแต่เรามาช่มันให้มันเป็นประโยชน์ซะมันก็พลาดไปแล้วยอมเจรเท่ายอมยั่งเขง้ามายั่งยืนไม่มีใครป้องกันได้ไม่มีใครเป็นใจ ย่อมละทิ้งไหนสิ่งทั้งปวงไปเราจงไม่ควรประมาทใช่กายใช่ใจให้เกิดประโยชน์เหมือนเลือข้ามภาคที่เรือข้ามภาคข้ามฝั่งขึ้นฝั่งได้แล้ว จอดเทียบท่าได้แล้วสำเร็จประโยชน์แล้วจึงจะสมกับที่เราไม่กายไม่ใจมันก็พร้อมให้เราได้ใช้เป็นยานขนส่งเอากายมาทำดีเอาใจมาทำดี เอากายมาละความชั่วเอาใจมาละความชั่วความชั่วมีเท่าไหร่ละหมดความดีไม่เช่ไหร่ตำไปเรื่อยๆมีสติมีศรัทธาในความดีมันก็มีดีมีชั่วอยู่ชีวิตของเรา มีเก่มีเจ็บมีตายมีความไม่เที่ยงไม่ควรเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนเราไม่ควรประมาทในคำสอนในพระสูตรที่เราสวดไปนั่นแล้วก็บงบอกเอาพระเจ้าชี้ทางไว้แล้วเราไม่ต้องสุงหา ตะกอบไปเลยกายก็อยู่นี้สติก็อยู่นี้จัดถาก็มีอยู่นี้มันเรามีเนื้อหนาเราก็เป็นเจ้าของรวามที่จะไสหวานเรามีความเพียรก็ร้อมที่จะกระทำลงไป เรามีข้าวปลูกมีสติความที่หวานลงไปในเนื้อนาเรามีสมาธิมีความหนักแน่นห้อยทอดแท้มั่นคงมั่นใจสิจ่งที่เราทำมันถูกต้องนาเรานมผลข้าวปลูกคาดไถ พลิกความดีอพิกความชั่วเป็นความดีแม้นก็ไถนาแต่ก่อนมันเป็นหญ้าไถนาไถไล่เป็นหญ้าดินมันแข็งไม่เหมาะที่จะหวานมเมล็ดฝืชเมล็ดพันลงไปไถมันก็พลิกหญ้าลง พิกเมื่อดินขึ้นมายญ้าที่มันพิกหลงไปกลายเป็นปุ๋ยความหลงมีความรู้เปลี่ยนความหลงไปความรู้เรียอพิกหลงไปแล้วความหลงมันแหละจะเป็นปุ๋ยให้ความรู้เรียกว่าสมาธิมีเพิ่มต้งอง สติรู้จักเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีอยู่เรื่อยเป็นปัญญามี่ยัพจากนี้ไม่ควรเชี่จปล่อยปละละเลย จกขาดตนเองเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์จใจศรัทธาจะให้เสื่อมใช้ความเพียรจะให้อนแอความเพียรคือความขยันออกการกระทาทั้งหมดนี้ จะเป็นศรัทธาในความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็คือกรรมอา마ธรรมอามาประกอบมันก็พร้อมอยู่แล้วอาจจะไม่เหมือนเน้านาหน้าฝนาข้าวโพดผ้าดไาย นล้วพูดเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังในพระสูตรที่เราสวดเนื่อนาความเพียรสติสมาธิปัญญาก็อยู่กับเราแล้วช่วดจทันทีนัตธรก็มีเชื่อมัน่นทำดีก็ดี คำชั่วก็ชั่วเราจะต้องทำดีเพื่ อ, อยังอกุศลเราทำที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีความดีไว้อกุศลคืยความชั่วอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหรก็ได้เราจะมีความดี เป็นเจ้าของไว้ก่อนต้องมีกายมีใจเอาสติในความดีเนี่ยเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจไว้ก่อนดูแลไว้ก่อนปฏิบัติธรรมคือมาดูแลตัวเองนี่ตัวก็ดูแลกายใจของเราใ ห, ให้อยู่ในความปกติอยู่ในความชอบ มีสติมีสมบัติชนญญะง <c oughs> ั้นเราเป็นเจ้าของบ้านเรือนเราดูแลอยู่ซึ่งไหนมีเจ้าของสิงนั้นก็อยู่ได้ปลอดภัยไม่เสียหายที่รว่าความเพียรชอบความภาพเพียรชอบ ที่เราได้สาธยายพิสูจนไปเมื่อกี้นี้มีสติอยู่ในกายกายานุกายีนุปัจจิเวนลัตติมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำเอากายมาผูกความรู้มาผิดความรู้ขึ้นมา เป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดความรู้เหมือนกับเราทำอยู่ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมหายใจเข้าหายใจออกผิดความรู้ขึ้นมาให้เต็มให้มาก14สี่จังหวะวิานาทีและจังหวะเวียนทีละรู้จวมองหนึ่งสามบันหกลอยูกทุกวินาทีไป จะเป็นมหาลูกจะควงรลู่ น, น้อยกลายเป็นค้รลูกใหญ่หญแล้วก็ชาวนาในข้าวปิ๊บเดียวไปหบดลงไปในดินปลูกด้วยความเพียรด้วยการกระทำข้าวปิ๊บเดียวแต่ข้าวเป็นล้อยปิ๊บไม่ต่ำถ้าทำดีๆี ก็ทำไม่ดีก่อจะม่ได้ขนาดนั้นมีสัตนามีหน้าผลมีความเพียรมีปัญญาดูแลดีๆเจติน้อยๆเจติทำลาอาจจะใช้ได้น้อยๆเหมือนเงินน้อยๆใช้ได้ไม่มาก เงินมากไม่จะต้องตั้งต้นจากเงินน้อยเงินร้อยเงินพันนับนังจากนับจากหนึ่งบาทขึ้นไปเก็บไว้ขยันรูปหนึ่งรูปสองรูปไ้ก็เก็บไว้เก็บไว้สะสมไว้สองชั่วโมงก็ร้อยรูปไปแล้ววันหนึ่งก็หลอยรูปไปแล้ว เกตวันก็จะมากโูกเหมือนพู้เจ้าท่าทายไว้การเจริญสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่องหนึ่งวันถ้าเกตุวั น, วนมีอนิสงส์อย่างกลางหเดือนถ้าเกตเดือนก็เกิดอ น, นิสงส์อย่างชาติที่สุดหนึ่งปีถ้าเกตปีมีอ น, น, สอ น, นิสงส์อนิสงส์สองอย่างหนึ่งเป็นพระอาณาคายมีบุคคล ผู้ที่มีความพร้อมเหมือนที่มีตาลืนขึ้นพร้อมจะเห็นไม่ต้องแอบหลับเปลี่ยนร้ายเป็นดีมีความผิดเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นถูกได้ทันทีถ้ามีสติดเดียวสองเป็นพระอาหารหันต์เป็นอาเซกาบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษา มันรอสวดพระสูตรสมาสสมาธิมีสติแล้วเหลืออยู่มีสติแล้วเหลืออยู่ละวิจตุวิจารไปิตีสุขนิอุเบกขามีสติเหลืออยู่เหลืออยู่มีสติแล้ ว, ล ว, วเหลืออ ย, อยู่มีสติแล้วเหลืออยู่ไม่มีอะไรเลยว่า เวทยิธิเวทยิธิเวทยิธินี้โล ด, ดมีสติมันก็เป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปพูดให้เป็นมากฌานที่หนึ่งฌานที่สองวิตกวิจารปิติสุขฌานที่สองละวิตกวิจานละไปละไปละไปมันมี รายละเอียดเราไม่ต้องเป็นลําดับลำำํานําภาษาเหมือนเราทิ้งลูกบอลเราโยนลูกบอลลงไปจากที่สูงสู่ที่ต่ำระหว่างลูกบอลมันผ่านอากาศลงมาไม่ต้องไปไล่มันมันถึงไหนถึงไหนเป็นยังไงไม่เหมือนเรานั่งเครื่องบิน เรานั่งเครื่องบินเรากดอินเทอร์เน็ตหรือคอมเวิรตเอร์มันดูอยากตัวมันบินไวเท่าไหร่ผ่านแผนที่ประเทศไหนบ้างมันก็บอกบอกความเร็วบอกความสูงบอกความ บนภูมิร้อหนาวเท่าไรบอกเคลืนบอกจดหมายปลายทางบอกปัจจุบันอยู่ตรงไหนอันนั้นไม่มีประโยชน์แต่เราจะนั่งเครื่องบินเพื่ออะไรเพื่อให้ถึงจุดหมายถึงจดหมายเวลาเท่าไหร่กี่ชัว่วโมงกี่นาที เราจะได้โตบอกเพื่อนที่ไปรอรับได้แต่ล้อันเวลานี้แม่นยมชัดเจนชาญทั้งหลายตั้งแต่ปฐมชาญทุตเตียชาญแต่แต่ตียชาญจตัตุตยชาญปัญจมาชาญ นั่นละะเอียดเพียงแต่เราไม่สติมันก็ย่อมเห็นหลองตางก็พูดอยู่เสมอว่าเห็นสุขย่ะเป็นผู้สุขเห็นทุกข์จะเป็นผู้ทุกข์นั่นแหละชานแล้วถ้าไม่สติบางทีก็มีสุขบางทีก็มีทุกข์บางทีก็มีรู้บางทีก็มีหลงบางทีก็มีอะไรหลายๆอย่าง มีสดรืเลยไป <c oughs> นั่นล่าเข้าวงใดแล้วเข้าทางแล้วไปทางเดียวแล้วกับพระพุทธเจ้าแม้แต่เราเห็นอากุศลกลัวง้อเหงาหานอนเห็นกุศลพร้อมสดชื่นแจม่มใสมีสำหรับผู้ ปฏิบัติแวโยคะวจรผู้ปฏิบัติยอมผ่านที่นี่เหมือนกันบางทีก็เจออะไรต่างๆก็เห็นไปเห็นไปเจอนี้วนานรธรรมอกุศลมองอาห้งนอนลังเลสงสัยคิดพุ่งซ่านพยาบาท ก็ม า, ลาคลัปฏิฆะทิฏฐิสำคัญมั่นหมายอะไรต่างๆลู่ไปลู้ไปย่อมมีกับผู้ปฏิบัติไม่ให้จงเหล่านั้นชดพาไปในทางที่ผิดเราก็ต้องลู้อยู่อย่างนี้แล้วก็ง่ายเมื่อมีสุขก็เห็นสุขแต่ก่อนเป็นผู้สุข เวลาวันทุกก็เป็นผู้ทุกข์พอมามีสติดีมันก็เห็นวันทุกไม่เป็นผู้ทุกข์มันมีอะไรเกิดขึ้นในความง่วงเห็นความง่วงไม่ใช่เป็นผู้ง่วงมันเกิดความหลงเลยสงสัยเห็นความหลงเลสงสัยไม่เป็นผู้ลังเลยสงสัยมีสติมีสติเข้าไปจนชํานานํานานํนานาญ ในเรื่องภาวะที่มันเกิดขึ้นเกิดกายกับใจพระเจ้าก็เฉลยไปแล้วกายสะกายไม่ใช่จตบุคคลตัวตนเราเขอขอใช่ไปก่อนสูตรนี้ใช่ไปก่อนเหมือนกับหลท่องสูตรคูณสูตรคณิตศาสตองหนึ่งเป็นสองสองห้าเป็นสี่แปแม่ว่ายังเขียนไม่ได้ก็ท่องท่องมันติดว่าเพื่อประกอบ สองห้าเป็นจิบไปก่อนเมื่อสองห้าเป็นจิบเป็นคำพูดแล้วเวลาเราประกอบภาษาเขียนเอาไปตรวจให้ครูตรวจเราก็เขียนเป็นตัวเลขได้ตามที่เราจำเอาไว้บทเขียนภาคปฏิบัติบทสูตรท่องจำ มันก็ใช่ได้เราเรียนก่อใครเขาใข่มัน ก, ก็อ่านออกเขียนได้ภาษาเขียนเอาไปใช้เป็นสากลภาษาธรรมเป็นสากลกายจะก่ากายไม่ใช่จัตุคกลตัวตนโลกเขาไปก่อนจากวันหนึ่งจะเป็นคำพูดของเราเอง หรอทนาก็สักไว้ทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตอนเราเขาจะเป็นกาพูดของเราจิตก็สวัสดิ์จิตไม่ใช่จัดบุคคลตัอตอลวตนเราเขาทำสวัสดิ์ทำไม่ใช่จัดบุคคลตัวตอนเราเขา ง, ง่ายๆแต่เด็กก็ทวนกระเสือสักหน่อยยังสำคัญมันหมายว่าตัวว่าตน ปดดวดเขาทั้งหเราปวดเป็นผู้ปวดตัวมีสติมันก็เห็นมันปวดเห็นมันหนาวเห็นมันร้อนเห็นมันหิวเห็นอะไรต่างๆเกิดกับกายกับใจมีแต่เห็นเท่านั้นเนี่ยมันเข้าทางอัเนี่ยไม่ไปสู่ฌานฌานคือสติที่ ที่ข่องตัวบางทีมันตกแร่งความรู้เห็นมันรู้ไม่ใช่เป็นผู้รู้ตกแร่งความสงบแบนผู้สงบไม่ใช่เห็นมันสงบมันก็มีเหมือนกันบางทีมีปิติความสุขเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัต ไม่เคยมีเวลาทําไปทําไปมาเกิดความสุขเรละละอกุศลได้ละกางเสียได้มีสมาธิละอะไรต่างๆได้มีแต่สติแล้วเหลืออยู่ละเวทนาละอะไรได้หมดเห็นเห็นไปได้ไปเห็นไปจนไปชำนาญในเรื่องการเกิดเจเจ็บตาย ไปโน่นเห็นมีสติและรายอย่เวท น, นาที่มันจะไม่ใช่เป็นคำพูดมันเจอเข้ามันเจอเข้าเป็นยังไงหายใจไม่ได้เป็นยังไงเวทธนาหมายมันตายมันเป็นยังไง อะไรตายเราจะตายผู้ความตายถ้าคนไม่ฝึกตนเองเดี๋วคนผู้ฝึกมีสติจะไม่ตายผู้ความตายจะไม่เจ็บผู้ความเจ็บจะไม่ทุกข์ผู้ความเจ็บจะไม่ทุกข์ผูความทุกข์ถ้าเราไม่ฝึกจะทุกข์ผู้ความทุกข์อะไรก็ทุกข์ เป็นความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วตัวไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นทุกข์ปันภาคจากของลักของชอบใสก็เป็นทุกข์นั่นแน่นอนถ้าเราไม่ฝึก หวานไปดูน้องสาวป่วยเป็นโรกเหวานเจนนามาพาสร้องไห้ว่าจะไม่หาย <c oughs> น่เป็นทุกข์ผู้คนทุกเป็นทุกข์พ่อลกูกได้บอกก็ไม่ทำไม่เป็นมันก็สบายแล้วมันเดินไม่ได้นอนแม่มันอยู่นี่แหละ จะไปทุกข์อะไรดูเต้าขเขาก็มีดูแลอยู่เนี่ยมันก็สบายป่วยเนี่ยไม่ใช่เอาควาป่วยมันเป็นทุกข์นะมันสนุกป่วยสนุกเก็บจะว่ายัางไงถ้าเรามาศึกษาก็เป็นอย่างนั้นหนีไม่พ้นทุกคนทุกอย่างอาแล้วทุกเป็นทุก ความทุกข์แท้เป็นนิพพานได้เอาความทุกข์เป็นนิพพานได้เลยแต่เห็นโทษแค่ยิ้มยิมหัวเราะความทุกข์หัวเราะลูกที่มันทุกข์ขอบคนความทุกข์ที่มันเกิดกับลูกมันหนาวสัญญาณภัยของเขามันร้อนมันเหิวหมันเจ็บมันปวดเวลาเขาเออก น้ำยาชากอกปากมันมีรสชาติอย่างไงปากมันก็มีเป็นรูปมีวิญญาณมีลิน้นมีกล้ามเนื้อมันรู้รสชาติมันเป็นยังไง น, นั่นเป็นรูปไม่ใช่ทุกเอาอกอกปากลงไปคืดลงไปเพื่อจะสอดกล้องเข้าไปเพื่อมาให้เก็บชาเข้าไป ก็หัวเราะอ๋นี่แหละสมนำหน้ามันรูปเนี่ยมันเป็นรูปมีรูปก็มีโลกเกิดอยู่กับรูปนี่อะไรก็เป็นโลกรูปโลูกเกิงๆรูปโลกน้ำโลกหลวงพ่อเทียนเคยสอนรูปปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเห็นรูปเห็นน้ำเห็นรูปโลกน้ำโลกเห็นรูปทุกน้ำทุกเห็นรูปทำน้ำทำ นี่มันเป็นรูปโลกพุทเจ้าก็เห็นจนเรียกว่าพุโทโธพุทโธตื่นตื่นจากรูปโลกตื่นจากโลกถ้าเราพากพูภาสาม้านเราเดาปาดโทรูปนี่ยมันเป็นกองทูกทัวแนวหายใจเขา้าหายใจออกนในก็เป็นการใจทุกข์ของรูปโนเขีนถ่ายอะไรต่างๆ เดินเดินนั่งนอนก็เหยียดเคลื่นนอนไหวเป็นงานของลูกถ้าอยู่นิ่งไม่ได้ต้องถ่ายต้องกินต้องหลับต้องนอนต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำมันนี่ไม่ใช่แช่มันเทาไปเพื่อใช่มันไม่ใช่เรื่องทุก นี่ลูกโลกมันเป็นก้อนทุกข์อันหนึ่งแ้วก็ใช่มันให้มันเห็นเรื่องนี้ครบท้วนอะไรที่มันเจอกรอบมาทางลูกลู่หมดลูครบลูท้วนลู่แล้วไม่ได้เป็นโจดจะเหลือยได้แล้วลู่แล้วทว่าลูแล้วเนี่ย กิกิดพระัญญาโกลทัญญะโอ้เจ้าแสดงประทมะเทศชนอัญญาโกลทัญญะตอบรับสแสดงออก่ลู่แล้วควมไม่เที่ยงก็ลู่แล้วจึงไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้เป็นทุกข์ลู่แล้วจึงไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นมาช่ตัวตนลู่แล้ว จิงไหนไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์ไม่ใช่ตนไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนรูแ้แล้วทำได้แล้วทำได้แล้วพระพุทธเจ้าก็มองของจะเข้าใจเหมือนเวลาหลวงตาพูดบางคนหัวเยิ้มเย้มต้อมันเห็นบางคนก็มัวแต่ง่วเหงาหอนนอนกันอยู่ไม่ฟังไม่รู้เรื่องก็มีเหมือนกัน ไม่ใส่ใจจิตใส่ใจตามพระเจ้าฟังพระเจ้าสแสดงเติมคนทันยาตอบรับสแสดงใบหน้าสแสดงกิริยาพระเจ้าบอกอนยาสิบวตัตโภคนโยอนยาสิบวตัตโภคนทันโยอญารู้เร็วหรืออนยารู้เร็วหรือ มนโง่มากแต่ก่อนอนยาเฉยๆแต่ก่อนไม่จะก่อนเป็นกคนธัญญาชื่อโคนธัญญาต่อเป็นผู้รู้ก็เลยอนยาโกนธัญญ า, นญญาอนยาสิอนยาสิคือรู้แล้วหรือรู้แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเนี่ยเห็นไหมเห็นหลงเห็นรู้ไหมต่างกันไหม แต่ภาวะที่หลงกับสภาวะที่รู้เป็นยังไงต่างกันไหมหรืออย่างเหมือนเก่าถ้าเราศึกษาจะเห็นต่างกัน <c oughs> สัมผัสสัมผัสโดสัมผัสโดมันจะต่างกันจะรู้จักเลือกเลือกเป็น แต่ก่อนเรสอนให้เลือกเปลี่ยนหลงเป็นรู้ถ้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลย ไ, ไปไปหลายข้างหลายโหนหัดแต่มาหัดเป็นแล้วมัต้องไปไม่ต้องไปสอนมันมันเปลี่ยนเอาเองหลงเวลาไหนก็รู้เวลานั้นทันทีทุกเวลาไหนก็รู้เวลานั้นทันทีรู้สุขสุขอะไรต่างๆรู้เวลานั้นทันทีอยู่ด้วยกันอันเดียวกัน น า, นาพร้อมกันแต่ก่อนความไม่เที่ยงเป็นทุกแต่ว oui. ันนี้ความไม่เที่ยงเป็นนิพพานไปแล้วเย็นในความไม่เที่ยงไม่มีทุกแล้วแต่ก่อนความเป็ทุกเป็นทุกวันนี้เย็นแล้วในความทุกในความทุกมันเป็นนิพพานไปแล้วดับแล้วหมดแล้วมันก็เป็นไปอย่างนี้หรือว่าทำให้เป็น ไม่เป็นทุกข์ความไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์นั้นเป็นปัญญาปัญหาเป็นปัญญาเราจะไปต้มทุกข์ว่เป็นทุกขอ์กข อ, อยู่ตลอดตายยังไงจะหลงตลอดตายนัเหลือจะโกรธตลอดตายนัเหลือจะหลอกทุกข์ตลอดตายนัเหลือจนว่า ค ว, usar, ความเกิดเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แค่นั้นหรือยอมแล้วหรือทูตุลาเจ้าเห Hallo, ็นเรื่องนี้ได้คําตอบแล้ววะความเกิดไม่เป็นทุกข์ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์ตอบได้ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่หลงสภาวะที่หลงเป็นสภาวะที่รู้แล้วสภาวะที่ทุกข์เป็นสาวะที่ไม่ทุกข์แล้วสภาวะที่โกรธเป็นสภาวะที่ไม่โกรธแล้วจบแล้วทั้งสุดท้ายแล้วจบตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยจะรอให้เหท่าไรเจหบางทีมันสอดไม่ได้ ดังล่องตาไปสอนน้องสาวเมื่อวานตอนเย็นสอนไม่ได้เพราะมันไม่รู้เรื่องไม่เคยฝึกสอนยากพี่น้องกันนะพวกเรายังสอนง่ายใช่ไหม ย, ยังมาอยู่ด้วยนะเป็นบวชเป็นแม่คีบบวชเป็นพระแต่น้องสาวน้องชายไม่มาบวชเลยแม่แต่แม่เอามาอยู่วัดก็ไม่ค่อยอยู่ เอามออยู่วัาไม่กี่วันก็เอาแม่ไปส่งเถอเอาแม่ไปส่งเถอะอ่า่ก็จยอะหนาอะไรเราเอาคิดไปไว้ที่ตรงไหนเราไม่ศึกษาเลยตื่นแต่ดึกซึกเตือนุมไม่ได้เลยรอเท่าไอ้แก่เดี๋ยวนี้ก็อยากจะกสอนบนห้องไอซมันก็ไม่ทนัน เวลามานอนอยู่ในเตียงห้องไอยูจะไปะสอนก็ไปสอนมาแล้วตามลงไว้วานต่างๆยอมสังเกมงบเราพึกเนี่ยเราศึกเราลบจะรอเมื่อมันเจ็บจึงฝึกขัดบางทีก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้แต่ไม่เริงถ้าเริงเหมือนไระเจ้าโทตนะก่อนจะใจขาด ในี้ผ่านก่อนใจขาดห้านาทีาาพระเจ้าพรุทธเจ้าไปสอนอยู่นั่งเฝ้าอยู่ในเวลาอาภาตพระเจ้าเป็นนั่งสอนอยู่ น, นั่นก็พอไดอ้เราจะรอเวลานั้นมันไม่ค่อยจะได้ อันที่เขเชืได้บางที่เขไม่ได้เราจึงต้องไม่ประมาทไม่ากันประกรระอบการเจริญสติไม่ใช่อยู่ที่สุกโตมันอยู่กับเราแล้วความหลงก็ไม่ที่อยู่ที่นี่มันอยู่กับเราควารู้ ก, ก็ไมอยู่ที่นี่นอยู่กับเราอาจให้เป็นเอาไปทํา รวมรู้จุดตัวมั่อยู่ในรูปแบบเสมอไปเมื่อมันมีโอกาสก็ใช่ได้ทุกโอกาสมันโชค ก, ก็รู้มันโชคก็รู้มันหลงก็รู้มันอะไรก็รู้เป็นของเราแล้วสมบัติของเรามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติติดตัวเราอยู่โจรพ้นไม่ได้ ไปไม่ไ ม, ไม่เป็นสมบัติของเราเป็นอาเลียชอบเป็นชอบภายในเป็นชอบภายในของเราจะเราจะยอมจนนี่จอย่างไงมันง่ายกว่าชอบภายในอกชอบภายนอกอย่างอาบเงา อ, อาบคาครมีปัจจัยหลายอย่างที่ประกอบขึ้นมาจึงได้เช่นเทานา ต้องมีนามีน้ำฝนมีธาตุมีมมไถยมีพืชผันปลูกลงแปลงรออยู่ครึ่งปีหนึ่งปีจึงได้ผลประโยชน์บางทีก็เชี่ยงมีแรงมีท่วมแต่ว่าการปฏิบัติไม่เสี่ยงเลยปัจจัดตัง ไม่ต้องเสี่ยงเพราะอ่อนเอิญต่อมาทำหาทรัพย์ภายนอกต้องเสี่ยงเพราะสิิงอื่นแต่การปฏิบัติทำหาทรัพภายในไม่ต้องเสี่ยงอยู่ในตัวมันเองอยู่กับการกระทําของเรากรรมเป็นของจาแนกเป็นศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กรรมฐานเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เป็นวิชาที่ก่อมายันหลงเปลี่ยนรู้ได้ศักดิ์สิทธิ์ทันทีมันทุกลู้ได้ศักดิ์สิทธิ์ทันทีหากจากนี้เรียก ว, ว่ากรรมฐานให้มีกรรมฐานเต็มบ้านเต็มเมืองกวดบ้านก็กรรมฐาน ขวดบ้านมันดีมันสอาดซักผ้ากรรมฐานซักผ้าก็ผ้าสอาดแปรงพันกรรมฐานาาาาแปรงพันก็ฟันสอาดต่อมาหางกรรมฐานใส่ใจลงไปไม่น้ำใจต้องไป ทำไรเป็นกรรมฐานหมดแม่บ้านกรรมฐานพ่อบ้านกรรมฐาน <c oughs> ขับรถกรรมฐานเดินตามถนนนทางกรรมฐานทำารกรรมฐานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมนี่ยน้อเกิดผลทันทีจึงไม่ควรประมาท นี่อยู่กับเราแล้วอย่าปล่อยปะละเลยของมีคุณเอาเป็นโทษไม่ได้ของมีคุณต้องให้มีคุณมีประโยชน์ของเป็นโทษให้มีประโยชน์ปัญหาเป็นปัญญามีอยู่ในเหล่านี้กรอบครัวู้ในกองสังขารเป็นปัญญาไม่ใช่ป ศึกษาแหล่งศึกษาที่ใดต้านทั้งหลายผ่านการศึกษามาแล้วเป็นผู้คงแก่เรียนมามากแล้วแลนั่นเป็นแหล่งตักกะชิลาที่อื่นในร่วมมหาวิลัลนี่ชีวิตของเราเนี่ยเป็นตักกะชิลาเขาว่าได้เป็นตู้ประจัยพยิดก เหตุมันทีพันเรื่องด้วยอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ความโลภรู้ในกองสังขารคือกายกับใจกายสังขารจิตตอสังขารอยู่ที่นี่ง่ายง่ายไม่ได้ไปหาด้วยสายตามองมันเกิดขึ้นมาให้ดูเองแต่เรามีจิอันหลงมันเกิดขึ้นเองเห็นความหลงเกิดขึ้น เห็นความเจ็บเ ก, กิดขึ้นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมีสติเลื่อยไปผ่านเลื่อยไปผ่านหลงเป็นรูถ้าหลงเป็นรูผ่านได้แล้วก็ทุกข์เป็นรูผ่านแล้ ว, ล ว, ถ, ลลวถึงจุดหมายปลายทางเอาไว้หลังแล้วเหมือนคนเดินทางดีแล้วมกักแนวหล่งตามกบฏด่ดานเอาล่ะ ก็อนกพอสมควรใจเวลาการภาพพ้องกัน